นอน้องภาชนะไปสมบูป็์สมบูรณสมบูรณ์สมบูรณ์ขอการบูชาคุณมันพอเกียงมันก็เกียงขอการปการสื่ารแล้วก็เริญธารมในุท่านนะครับเจริญพงศมทุกคนนะครับตามสบายใส่ดิสง์กนสื่รเดินข้างบ้านก็เดินนะเออตามที่เราตื่นเต้นมัน เหมาะสมกับตัวเราเนาะบางคนม่วงมาให้นั่งมันก็จะยิง่วงนะถ้าม่วงก็เดินเลยไม่เป็นไรนะเดินไปฟังไปหรือถ้าใครอยากเป็นฟังก็ฟังเนาะไม่เป็นไรนะให้สวัวดิ์ปีการปฏิบัติกานตางอัธยาศัเนาะเพราะการ บลบความเพียรนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอว่าจะต้องทําแบบไหนนํานมันเกี่ยวกับที่เรารู้ตัวของเราเองแหละว่าที่เราทำํำนะี่เนี่ยมันทำความเพียรนะหรือว่ามันมันมีความคิดเกียจที่พ้านในจิตใจของเราเนะี่ยเราก็ดูตัวเราเองแต่ก็ถ้าใครอยู่ได้ถึงตอนนี้ก็ ต้องขออนุโมทนาเนาะที่พวกเราเยอะได้ผ่านนะคนพึ่งคืนคนะนะวันที่ยีนะ่สสองลักนี่ยตอนนี้ก็เข้าสู่นะวันที่ยนะี่สิดสามถือว่าเป็นวันที่หลวงพ่อท่านพระสังขานเนาะนะวันที่ยนะี่สิดสามก็ผ่านมาปีหนึ่งพอดีนะทุกทุก ท, ทุกทุกคืนนะก่อนที่หลวงพ่อจะจะรักสำคัญประมาณก่อนหนึ่งเดือนที่กุติที่ตอนนี้เป็นกุติที่พิธภัณฑนะ์แต่ก่อนก็ต้องมาให้อาหารหลวงพ่อในตอนเที่ยงคือนะรอบหนึ่งอาหารทุ่มกบกวาเนะก็ต้องลุกขึ้นมาอุ่นอาหารพนะจานตุ๋่ก็ ทำหน้าที่นี้จำเนะพราะอุ่นอาหนาั่งก็มาเอาอาหารนะใส่ถุงนะแล้วก็เอาใส่ใส่ยยางเข้าหน้าท้องให้กับห่วงพ้อหลวงพอก็ต้องบางทีก็ต้องตื่นเพราะว่ารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่เราต้องกระทบกับทัานหรือว่ารู้สึกถึงร่างกายที่มันต้องย่อยอาหารอบ่างนี้นะ แล้วก็ปเป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่หลวงพ่อท่านอาพาธจากโรงพยาบาลจุฬานะขับมาที่วัดสุขประทองก็ดีถนะือว่ามาที่สุขคนโตก็ดีเวลาประมาณเที่ยงคืนนั่นแหละนะเราก็ยังมีคิดที่ต้องทองํากับหลวงพ่ออยู่มีเดือนสุดท้ายประมาณเดือนสุดท้ายถึงเปลี่ยนนะเปลี่ยนโปรแกรมนะไม่ไม่มีอาหารช่วงเที่ยงคนืนก็ปรับสามเวลาแทนะ แต่ก็เป็นสามเวลาที่ปริมาณอาหารเท่าเท่ากันกับสี่เวลา น, ะนี้ก็อมันก็เป็นกิจที่น้องพ่อนะําได้เกี่ยวข้องกับเราหรือวันนี้ยเรามาฟังลดความเครียดนนะ้องทำในตัดคิดนะบางคนอาจจะเป็นพื้นแรกตั้งแรกหนชีวิตมนะันอาจจะรู้สึกยากนะแต่บางคนก็รู้สึกเออ ก็สนุกดีอนะมีครูบาอาจารย์มีแม่ชีมีเพื่อนนะมาปฏิบัติด้วยก็รู้สึกงอุ่นใจดีมีเพื่อนปฏิบัติแต่จริงเรารูไหมที่วัดที่วัดปุกตะโตนี้ก็มีมีพระอาจารย์รุ่นหนึ่งนะท่านเนยแต่ชีมาสองสามปีแล้วอนะืไม่นอนมาสองสามปีแล้วนะเหมือนยืนอยาบดนอนแต่อาจจะนั่งหลับนะ เที่สุดที่ก็อี้แบบนี้บ้างท่านเป็นพระชาวตีรังกาเนาะตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนะที่วัดตฝากสุสตโตท่านก็อธิษฐานนะที่จะในแต่ชีกมาน่าจะปีนี้น่าจะร่วมปีที่สานะมละท่านก็บอกจะตั้งใจอธิษฐานไปเรื่อยงานทะ่านพวกเราวันนี้ไม่ไหวให้คี่ถึงท่านนะเราเพิ่ง คืนแรกคืนเดียวนะไหวหรือเปล่านท่านสองสามปีแล้วนะอนะยังไหวอยู่นะอืมายุท่านก็เยอะแล้วนะเกือบหกสิบแล้วหรนะือหกสิบเองงี่ยงประมาณนั่นนะหละคือร่างกายนะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราเนี่ย น, นะใจใจเราถ้ารู้สึกว่ามันไหวนะรู้สึกว่ามันสู้นะ มันก็ทําให้ร่างกายเราสามารถที่ที่จะสู้ได้นะแต่ถ้าร่างกายของเราบอกไม่ไหวไม่ไหวนะมันก็จะไม่ไหวนะ <c oughs> อ่าอทีความง่วงนะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกายนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของใจนี่แหละที่มันไม่ไหวนั่นะเราต้องลองเรียนรู้ดยู่เราจะอยู่กับกับร่างกายที่ง่วงอย่างไรนะโดยที่ใจเรา ไม่ซึมตามเนี่ยนั่นมันสามารถที่จะอยู่ได้นะบางทีแต่ก็ยอมรับเราไม่เราไม่ได้ปฏิเสธนะว่าจะต้องไม่ง่วงนะจะต้องไม่เหนื่อยนะอันนี้คือเรื่องธรรมชาติของกายนะที่อาจจะง่วงอาจจะเหนื่อยยิ่งจะโดยเฉพาหลาคนยิ่งโอ้หน้าสันเซินเนาะไปปลูกป่านเดินขึ้นเขาตากแดดปลูกต้นไม้ขับนาไปยังมา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 แต่มันหนักข้างในใช่ไหมนะบางทีบางทีมีนักปฏิบัติธรรมให้แบบที่แบบถูกเกณฑ์มานะช่นเช่นเด็กนักเรียนเนะี่ยถูกเกณฑ์มาอบรมปฏิบัติธรรมเนะี่ยหรือบางนุษยบางหน่วยงานก็แบบคล้ายล้ขอร้องกันมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมกันได้สองสมวันถ้ามีคําถามนะประมาณว่าวันนี้ให้ปฏิบัติธรรมทั้งทั้งคืนหรือทั้งวัน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 เป็นไปเหนื่อยที่ใจใช่ไหมเป็นเหนื่อยที่ใ จ, ใ ท, ใจที่แบบต้องต่อสู้กับตัวเองนะต่อสู้กับความง่วงต่อสู้กับความเบือ่อต่อสู้กับความสงสัยต่อสู้กับความคิดนะทำไมมันมาเยองเหลือเกินนะทำไมมันไม่สงบอันนะี้เพราะเราคิดว่ามันต้องต่อสู้นะแต่ถ้าเราวางใจจริงๆไม่ได้สู้จนะดูมันนะ มันต่างกันนะเหมือนเหมือนเราสมมุตินักกีฬาเช่นสมมตินักมวยก็ดีนะสมมติเขาเขาต่อสู้กันเหมือนมือฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนะคนละมุมต่อสู้กันนักกีฬานี่โดนโดนชกนะหรือว่าแค่โบกนี่ก็เหนื่อยละนะถ้าเราเป็นนักต่อสู้กับกีฬาเช่นนะมันก็จะเหนื่อย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 เราจะเห็นดีราของของจะเรียกว่าฝ่ายดํากับป่ายขาวก็ได้นะในใจของเร า, นา เ, นเนี่ยแหละบางทีเช่นง่วงเนี่ยบางทีก็จะมีเหตุผลนะอืมวันนี้ทําวันสืบบูป่ปามาเหน่อ ย, ยแล้วนะเลยพักผ่อนดีกว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทำวัดไม่ทันนะหรือพรุ่งนี้เดี๋ยวไม่สบายอันนี้ก็เหตุผลอืม หรือบางคนก็อาจจะมีเหตุผลอ้าวเพราะครูวารยาก็อยู่ลองปฏิบัติทำต่อทั้งคืนรือไม่เนีเหตุผลไฟดำกับไฟขาวมันก็จะมีนะในใจของเราแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับฟังไฟไหนหรือว่าเราลองจะให้โอกาสกับไฟไหนเขาได้ทำงานมันมีหลายอย่างนะ พราะเราเขาเคยเจอแนละ้วบางทีเช่นมีคนมาว่าเรามีคนมาทําร้ายเราเนะี่ยเรารู้สึกว่าเราโดนเนะี่ถ้าเราก็จะมีเหตุผลสมควรที่จะต้องไปว่าด่าเขากลับหรือต้องไปทําร้ายเขากลับนะั่นก็มีเหตุผลมากเลยนะเหตุผลที่สมควรมากที่เราจะต้องเอาคืนนะเอาคืนเขาได้อันเนี้แต่พระพุทธเจ้านะั้นท่านบอกว่า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 แต่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะทำไมถึงเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่คือเราไปอยู่ในความคิดนะเหตุผลก็คือความคิดอย่างหนึ่งแต่เราอาศัยสติปัญญานะดูไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดปัญญาคำว่าพิจรารณาเ น, นี่ยไม่ใช่คิดนะแต่คือมันเป็นปัญญาที่เราเห็นเนะมื่อเห็นบ่อยๆเป็นบ่อยๆ มันเข้าใจสภาวะต่างๆที่มันแสดงเนาะมันมันจะรู้สึกเองนะมันเป็นมันเป็นความรู้ความเข้าใจนะมันไม่ใช่ความคิดนะมันเรารู้สึกตัวเนี่ยเรามือสัมผัสกันนะเดินก็ดีคำว่ารู้สึกมันก็รู้สึกของมันนะมันไม่ต้องมาคิดไม่ต้องคิดว่ายกมือไต้องคิดว่าเดินไงมันเป็นความรู้สึกอ่า ปัญญาหรือว่าการพิจารณาคือมันรู้สึกได้ถึงสภาวะตรงนั้นแะ่ะมันเป็นธรรมชาติแบบไห น, นเราลองดูนะไปเชื่อความคิดเหตุผลในต่างๆนะดูมันไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆนะแต่ก็อยากจะให้พวกเราพยายามเรียกว่าน้อมไปในทางที่มันเป็นไฟ ฝ่ายที่ทำให้ยินสีมันแก่กล้าขึ้นเนาะอ่าอาจจะน้อมด้วยความศรัทธาศนระัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในอูบาลจานเนาะเช่นแนะเราศรัทธาในหลวมพ่อคำเขียนนะเราก็น้อมเอาสรัทธานั้นมาันเมศรัทธานั้นมเป็นการปฏิบัติภูญชาอันนี้ก็จะช่วยแบบเสริมพลังได้เยอะเลยนะคือถ้าเราคิดถึงแต่ความเหนื่อยล้าของเราเนี่ยเราก็จะท้อ แต่ถ้าเราคิดถึงว่าที่เราทําเนี่ยเป็นการปฏิบัติบูชานะไม่ใช่ทําเพื่อจะเอาอะไรเนะี่ยราเราเราทําเพื่อที่จะให้เวลาเราเอาพลังว่าเราทําอะไรเพื่อจะให้หืเพื่อจะสะละหรือทําให้คนอื่นก็มีความสุขอื่อทําให้คนอื่นก็พอใจมันจะมีพลังเนาะสังเกตั้มเวลาแบบทําไมพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกได้แบบไม่เหนื่อยนะบางทีบางคน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 เมื่อเราเอาพระรามที่จะให้มนะันไม่ใช่คิดจะเอาถ้าคิดจะเอานะี่มันเหนื่อยนะอืมเราเมื่อไหร่เขาจะให้เราเราเอเมื่อไหร่เขาจะคล้ายๆเอาใจเราเนะมันเหนื่อยนะเหนื่อยจริงๆแต่ถ้าเราเอาพระรามของเราเราให้เราเราให้เช่นการปฏิบัติก็คือเป็นการปฏิบัติบูชานะเรามาช่วยนะ ต่ออายุเพราะพุทธศา ส, สนานะบางทีคนคิดว่ามาอยู่วัดเนี่ยคือมาหวังพึ่งนะหวังพึ่งศาสนามาหวังพึ่งวัดหวังพึ่งครูบาอาจารย์พอคิดหวังพึ่งเนี่ยมันหมดท่าแล้วนะ <c oughs> เมื่อไหรค่ครูบาอาจารย์จะมาเป็นที่พึ่งให้กับเราครูบาอาจารย์ไม่อยู่เหงาเนะียือว่าไม่มีที่พึ่งแล้วนะแต่ถ้าเราคิดที่จะมาช่วยเนะี่ ช่วยศาสนาช่วยตุบาจันตุบาจันอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเราจะเอาตัวเราเนี่ยทําแทนท่านจําได้หลวงพ่อคอมเขียนเคยเล่าว่าสมัยตอนบวชใหม่ๆหลวงพ่อเทียนก็ไม่ค่อยอยู่วัดเหมือนกันพระป่าพุทยานก็มีไปซอนที่นั่นที่นี่นะหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อก็ไม่มีเงินตามหลวงพ่อเทียนไปนะหลวงพ่อก็อยู่เป้าวัดบางช่วงก็อยู่รูปเดียวนะ ก็คิดในใจอ่ะอะหลวงพ่อไปสอนได้เป็นไรผมจะดูแลวัดนะท่านก็ดูแลวัดนะ ท, ทํางิจวัดของสงฆ์นะกวาดลานวัดทั่ววัดนะออกวินถ้าบาทมีญาติโยมมา ก, ก็สอนคือท่านคล้ายๆคิดในใจแล้วอืมก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะตามหลวงพ่อเทียนนะแต่ถ้ามันตามไม่ได้ก็คิดในใจว่าเออเราก็จะพึ่งตัวเราหรือว่าเราจะทําหน้าที่แทน ครูบายาจารย์ไ่ได้นะอันนี้ก็คืออยากจะ่ากไว้นะบางทีถ้าเรารู้สึกว่าบางทีเราคิดที่จะเอานะหรือว่าคิดจะจะพึ้นคนอื่นเนะี่ยมันจะเหนื่อยนะถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะมันจะเกิดความทุกข์ใจนะแต่ถ้าเราคิดว่าอืมเราจะมาฝึกฝนตัวเราเองคนระูบาอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่แต่แน่นอน ธรรมะนะท่านทิ้งไว้ในหะ้เราอยู่แล้วนะมันอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือเปล่าเอนะถ้าเราทําเราก็ได้ผลนะถ้าเราท้อเราก็ทุกใจเหมือนเดิมบางทีก็ไม่เกี่ยวนะคนะรูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ถ้าเราไม่ทําก็เหมือนเดิมนะแต่ถ้าเราทําเนะี่ยมันก็ต้องเกิดผลของเราเองออันะนะี้คนทีแม้ อเนาะถ้าจะจากพวกเราไปแต่มาว่าสมัยนี้พวกเรานี่โชคดีนะโชคดีที่สื่อต่างๆมันมีบันทึกไว้เยอะมากใช่ไหมฮะเทปของพ่อเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าสามสิบสี่สิบปีสมัยหลวงพ่อเขียนก็ไช้เทปเนาะบันทึกในเทปเสียงก็ไม่ค่อยชัดวิดีโอก็มีไม่มากนักแต่หลวงพ่อเขาเขียนก็ เนีย่ยดี๋ยวนี้ก็สื่อต่างๆก็ชัดเจนนะเนะทั้งซีดีทั้งหนังสือทั้งวิดีโอเนี่ยท่านถ้าเราได้ดูนั้นนะก็น้องเข้ามาใส่ตัวสู่ภาพการปฏิบัติก็ได้นก็จะรู้สึกเลยว่าหลวงพ่อก็ทิ้งโมรดกไว้ให้กับเราท่านไม่ได้จากไปที่ไหนนะพ่อโมรดกที่สำคัญที่สุดคือตัวธรรมะของท่าน ตัวที่เป็นรูปร่างสําคัญเนยะมันก็เป็นธรรมชาติเนาะมันก็เป็นธรรมดานะก็ต้องจ่าเป็นไปนะเป็นธรรมดานะแต่โมระดกธรรมที่ท่านทิ้งไว้ให้กับพวกเรานะั่นแหะสําคัญมากเนาะก็พวกเรามาปฏิบัติบูบชานะั่นแหละถือว่าดีที่สุดแล้วเนาะให้เราเอาชีวิตของเรานะั่นแหละเป็นการบูชาคุณก็พูดคุณก็ทำคุณก็สอนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะ่ ถือว่าเราได้บูชาครูบาอาจารย์ถ้าเราทำแบบนี้นะถ้าจะทำอะไรก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างจคูบาอาจารย์เลยเราทำครัวอยู่ที่โรงครัวก็ถือว่าทำครัวถวายถาวายครูบาอาจารย์ใช่ไหมถ้าไม่มีแม่ครัวนั่งปฏิบัติธรรมหรือพระสงฆ์ก็ลำบาก หรือชาวบ้านเขาสมัยเขามีความสุขตื่นแต่เช้ามาหุงข้าวมาทำอาหารเตรียมใส่บาตรเพราะว่าเข า, เขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้อย่ใช่ไหมเขาอยากจะให้เขาอยากจะใส่บานรเขาอยากจะทำบุญมันเป็นผดานที่ทําให้แม้บางคืนนอนดึกนะแต่ก็มีผดานที่จะตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อนะหุงข้าวทำอาหารใส่บานแม่ครัวที่นี่หรือว่าญาติโยมหลายคนก็ เอาพลังนี้เหมือนกันนะเอาพลังนี้นะตื่นเช้าเป็นหลายปีละหลายคนก็หลายปีนะทําทุกเช้านะหรือญาติโยมเองก็เหมือนกันท่านมาคิดว่าพวกเราเองก็มีความตั้งใจเนาะเสียสดะบางทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะแทนที่จะอยู่นะที่บ้านแต่เราก็ยังสียสเวลามาที่นี่โนดะยเฉพากลุ่มที่มาจะ ส่วนโมกุงเทพยนนะสึกว่าโหมดเหมือนกันใช่ไหมตั้งแต่เมื่อ ว, วานนะมาถึงก็นะ่ะชมดูพิพิธภัณฑ์หลวงพ่พ อ, อแล้วก็สถานที่ตามรอยหลวงพ่อที่กรุงทองรนะวมสองชั่วโมงนะ่ะหังจานั้นก็เดินมาที่นี่นะ่ะเดินมาที่สุปรโตมาที่นี่แล้วเดินมาถึงก็เกือบทํบ้ัดเก็ยนอนะก็เห็นหลายคน ทีเ่เขาขุดรเร่งไปทำวัดมันกัวไม่ทันนงตื่นเช้าขึ้นมาอีกก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนคนนี้ก็ต้องรีบกลับไปอีกไปทำงานทาการแต่มันก็ถือว่าเรามาทำความดีเนาะใช่ไหมเราไม่ได้ไปทำความชั่วอะไรเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำนะแม้จะเหนื่อยบ้างนะแต่มาว่าถ้าเราดูดีดนะ เราก็ไม่เหนื่อยเท่าพระพุทธเจ้าไม่เหนื่อยเท่าครูบาอาจารย์เนาะเอาง่ายๆอย่างหลวงพ่อสมัยก่อนเนี่ยขึ้นเขาเนี่ยไม่มีรถขึ้นมานะ อ, อรถส่งถึงแค่เตี๊มเขาแล้วก็ต้องเดินขึ้นมาบางวันหลวงพ่อบอกไปวัดสนามในนักเสียชีสที่สนามในหรือว่าไปมีงานที่สนามในทำวัดสนามในก็รู้ว่าตอนนี้มันกันดานเนาะ เอาปลากระปองเอานาม า, มาเอาอาหารแห้งนะให้หลวงพ่อมาหลพ่อก็เอาใส่ขึ้นรถรถบัสมาลงต่อตองแถวลงจีนเขาถ้ามีโยมช่วยคนมาก็ดีหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็แบกขึ้นมาเองแบกปลากระปองแบกนาม่แบบกบแบบแบบข้าวสารขึ้นมามาเพื่ออะไร มาเพื่อให้หมู่สงหรือว่านักปฏิบัติธรรมได้มีอาหารการกินกันหรือบางทีสมัยก่อนเนะเก็บเทานะั่นเทาคือพืชที่มันอยู่ในตะน้ำเนาะเอามาเอามาทําเป็นอาหารอืลาบากนะสมัยก่อนอาหารการกินก็ลําบากนะไฟฟ้านี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะไม่มีนะปลาปานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงไปอาบน้ําตาอ่อนนะหรือว่า เราไปตักนามไัใ่ใจที่กุติเอาพวกเราเนี่ยือว่าสะดวกสบายแล้วเนาะอืมดังนั้นเวลาเจอความยากลำบากนะแสดงให้เราคิดถึงอ่าครูบาอาจารย์นะคิดถึงน่นะบรรพุตุกของเราที่เขาลำบากกว่าเราดังนั้นบางทีเรามาอยู่วัดนะกุฏิก็ดูไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าที่บ้านนะอาหารการกิน ก็อาจจะไม่ได้ปา น, นี่เท่าที่บ้านของเราแต่อย่างน้อยสิ่งที่เรามีคือเราไม่ต้องอยุ่งเตเราไม่ต้องอยุ่งจัดการมากเพราะนั้นเราจะได้มีเวลาภาวนามากขึ้นนี่ถ้าเราวางใจอนยะู่นืมเราก็จะคล้ายๆอยู่ง่ายกินง่ายอะไรก็ได้เพราะว่านั่งปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยจะไม่เรื่องมากแล้วก็อาศัยว่า อะไรก็ได้อาศัยเวลาเนี่ยแหละมันทําความเพียรอือะไรจะเกิดขึ้นมาก็ทําความเพียรไปสมัยก่อนนะฝนตกนะตามกุฏิไม่มีที่มุงหลังคาตรงทางเดินจงกลมนะบางทีฝนตก อ, อยากจะเดินจํากลมยังไงกลางร่มเดินอืนมกลางร่มเดินหรือว่าตามกุฏินะไม่มีมุงรนนะั้วนะอื ยุงจะ ก, กัดไดก็ต้องแบบทนเอาหรือไมก่ก็ต้องกางกดเอาเนาะทำไมก่อนนี้ขเขาลามานะ่โยมอยู่ในป่านะฝนตกชิ่นชื่อมนะันนะกางกดนั่งอยู่ในมุง้งถ้าม่วงยังไงเองนิดนึงนี่ก็อยู่ในกุฎนะก็ดับสบายแล้วนะใช่ไมไม่มีใครเห็นแต่มันต้องฝืนมันต้องสู้กับตัวเองใช่อืม สู้กับคีเลเสู้กับความอยากนะสู้กับความท้อให้มาทำความเพียรต่อแม้ง่วงขนาดไหนแต่ก็ตั้งใจว่าจะหลังไม่แต่พื้นใช่ไหมวันนี้พวกเราตั้งใจแบบนั้นไหมง่วงขนาดไหนหลังไม่แต่พื้นแต่อเนกประสงคพิงได้พิงได้นะแต่ระวังสีราะแล้กัน ก็ไม่เป็นไรเขาตามที่เราทําได้นะแต่ถ้าเราตั้งใจจริงมาว่าใค่สี่ชั่วโมงก็ทำวัดแล้วนะไม่ถึงสี่ชั่วโมงก็ทำวัดแล้วไม่นานหรอกคือนะถ้าเราได้คิดถึงอีกคนหนึ่งนะอาจารย์สมพลนะทองบนุ่มพี่การนอนปฏิบัติอยู่บนเตียงเนี่ยแลงง้ง่วงหนึ่งง่วงฝืนฝืนไม่มีทางเปลี่ยนนะจะลุกขึ้นมานั่งยกมือก็ไม่ได้ถ้าไม่มีคนอุ้มให้นะ แต่ต้อขึ้นมาเดินจมกรมเปลี่ยนอารมณ์ก็ไม่ได้ต้องนอนนะอยู่กับเตียงนั่นแหละนะห่วงก็ทนเอาอนะ่วงก็สู้เอาแต่แรกๆก็ทนก็สู้แต่ต่อไปก็ดูนะมันก็เบาขึ้นนะแต่ก่อนต้องทนต้องสู้มันก็หนักหน่อยแต่พอสติมันมากขึ้นเนาะเราอาศัยทำความรู้สึกตัวไปเรือไงนะ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 จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะบางทีเราเห็นว่้ทำไมคนนั้นดูไม่ง่วงเลยทำไมเราง่วงเหลเกินไปดูคนอื่นแล้วก็บางทีถ้าเราดูแล้วท้อมันก็จะเหนื่อยแต่ถ้าเราดูเอาเป็นกำลังใจเนี่ยได้น ะ, ะเห็นคุณยายเห็นแม่ชีอายุมากๆยังสู้อยู่เราอแบบนี้มันเป็นกำลังใจได้หรือบางทีคน คนวัยกลางคนนะเนาะเห็นอาสนุ่มๆเห็นโยมเศรษาวยังตู้ยังทำวามเทียดเยอะเนี่ยเราก็เป็นกำลังใจได้สัวอย่างที่ว่าเราหลงตาคมนะเมื่อวานอะายุ90 9ีพอดีหนแต่ท่านยังเดินจงกรมทุกวันนะยังนั่นยงยกมือสร้างังหวานทุกวันเนี่ยทำไมคนอายุขนาดนี้ ร่างกายแบบนี้เขายังเห็นความสำคัญในเรื่องการภาวนานะเราเองอ่ะจะรอเวลาขนาดไหนเขามาภาวนาเนะ่ยเราก็ามาเตือนตัวเองเลยนะเราก็จะเห็นความเพียรนะคือกิจที่ต้องทำวันนีนะ้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้ถ้าเราทำความเพียรวันนี้นยะอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านะผู้ที่มนะีผู้ที่มีสติ แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชนนะถ้าวันนี้น่ะลาตีนี้เราพยายามฝึกสตินแม้ลาตีนี้นะถ้าสติต่อเนื่องตื่นรู้ดีๆเนี่ยก็น่าสรรเสริญนันกว่าการที่มีชีวิตอยู่ยืนยาวนั้นหลายสิบปีน่ถึงร้อยปีก็ได้เนาะนั้นความเพียรที่เราทำวันนี้น่ะไม่เสียหายที่ไหนเนาะอ่ก็คงพอสมควรนะก็ อนุโมทนากับพนะระคุณเจ้าทุกท่านแล้วก็อมแม่ทีนะักนะปฏิบัติธรรมทุกคนแล้วก็ให้พวกเราได้อาศัยความตั้งใจที่เราจะปฏิบัติบูชานะพระพุทธประธรรมประสงโดยเฉพาะหลวงพ่อคำเขียนสุวรรโนที่เป็นที่เคารพสัทธาของพวกเราก็ขอให้การปฏิบัติธรรมของเราจนเป็นไปเพื่อการ ทำที่สุดแห่งกองทุนทรัพย์นี้ด้วยเถิ